วันในเป็นวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2557เป็นวันอุโบสถเมื่อวานเป็นวันพระแรม14ข่ําำเดือนเจดเดือนเจดดับแต่วันอุโบสถของเราตามปักกาลน า, าธรรมยุทธของเราวัดปวรเป็นผู้กำหนดเป็นวัน ขึ้นค่ำหนึ่งเดือน8เป็นวันอุโบสถอย่างวันนี้แหละเป็นวันขึ้นค่ำหนึ่งแต่จากนี้ไปก็15วันเป็นวันอัษฎบูชาจากนั้นก็วันเลยกว่านั้นไปก็เป็นวันเข้าพรรษาถ้านับวันจากวันนี้ไป16วันเป็นวันเข้าพรรษาจากนี้ไปแล้วก็วันที่29 วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะวันที่ยี่สิบเก้าจะมีการรับนาคที่เข้ามาบวชใครจะเข้ามาบวชเราก็รับวันที่ยี่สิบเก้าที่จะถึงนะ่ะแล้วก็ บ, บวชวันที่หกนะขอให้พวกเราตามบริขารก็ให้เตรียมเตียมเตรียมเตรียมไว้ด้วยนะแต่เราก็ยังไม่ทราบว่านาคเข้านี้จะเหลือมากนะผู้ที่จะมาบวชนั้น จะมากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้แต่คิดว่าไม่น่าจะถึงสิบในความรู้สึกของผมนะแต่ที่ยังไงเขาให้เตรียมเตรียมไว้เนิ่นนมันก็ดีถ้าได้จัดบริขารไหนควรจะเตรียมหรือ ม, มันขาดเราก็จะได้รู้ไว้แต่เนิ่นๆแต่บวชวันที่6อาทิตย์ที่6นะแล้วก็วันนั้นก็คงจะเป็นวันที่ฉุกง 6, พอสมควร หมู่พวกเพื่อนกลุ่มหนึ่งเขาคงจะไปปลูกต้นไม้ที่วัดใหม่อำเภอเพนวัดป่ารวมธรรมเราคงจะไปหลายองค์ฉันจะหันที่นูน่นแต่ผมคงไม่ได้ไปผมก็คงอยู่ที่นี่แหละคงจะบวชพระลูกหลานซะก่อนผู้ที่หมู่ไปก็ไปไปช่วยช่วยกันปลูกป่าแล้วก็คงจะเตรียมที่จำพรรษาด้วย ที่วัดป่ารวมธรรมตำบลสุมเศรา้าอำเภอเพนแต่กระจังหวัดอุดรของเราเนี่แหละอันนี้ก็คือบอกให้หมู่พกเพื่อนได้รับทราบเป็นการเบื้องต้นไว้ก่อนแต่ที่ยังไงก็ตามนะพวกหมู่พวกเพื่อนที่ผมเคยบอกเคยกล่าวไปแล้วหลังคากุฏิหรือหลังคาล้านถ้ามันมีใบไม้ อะไรก็ในช่วยๆกันปัดกวาดทำความสะอดาดอย่างนี้ไปแต่ถึงอย่างไงก็จะไปตกลังคานะใครเคยขึ้นเอาตัวเบาๆตัวน้อยๆน่อยจะไปเอาตัวใหญ่ขึ้นเดี๋ยวลังคามันบุกหรือบอกผู้ที่เคยเป็นช่างัน่ะรู้จากวิธีการเหยียบต่ายลังคาไม่ใช่พนไม่เคยเอาขึ้นไปแล้วจะเหยียบมั่วไปหมดเดี๋ยวลังคายุบยึบ เผอๆตกลงมาอีกจากลังคาล้านอีกแต่มันก็ไม่สูงหรอกแต่อันตรายเพราะสมควรอนะ่ะนเขาขอให้พวกเรานะช่วยๆกันเตรียมสถานที่ถนนเข้าไปทางจงกรมทำความสะอาดจากนี้ไปแนะสองอาทิตย์มันก็ไม่ห่างเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาผู้สูงอายุผู้เฒ่าคนแก่มา มาทำความสะอาดทำทางเดินยังกรบพวกกูบาก็จะช่วยกันคนละไม้คนละมือพระที่เขามาบวชคือทายาิของพวกเราเป็นพี่พีน้องๆของพวกเราถ้าพวกเราไม่ใส่ใจพวกเราไม่ให้ความสนใจพระพุทธศาสนาจะยืนยาวไปได้อย่างไรพวกเราต้องช่วยช่วยกันผมก็ดูในฐานะหนึ่งพวกท่านทั้งหลายกัน ต้องดูในฐานะหนึ่งพวกผมเองก็ดูในฐานะวางแผนแลืว่าแนวนโยบายค่าใช้จ่ายอะไรทุกอย่างถ้ามันขาดหรืออะไรมีความจาเป็นอะไรก็บอกผมก็ต้องคอยดูในระดับนี้แต่พวกท่านก็เป็นผู้ปฏิบัติช่วยๆกันดูตัวไหนหลังคาอะไรที่มันมีต้นไม้เฟื้อยเข้ามาบนหลังคา มันทําให้หมดเข้ามาที่หลังคาล้านพวกเราต้องช่วยกันเอาออกแต่ถึงอย่างไงอย่าไปตัดต้นไม้นะเพียงแต่เอากิ่งมันออกเท่านั้นแหละอย่าให้มันเฟื้อยมาถูกแล้วก็น้ํามันที่มดขึ้นไปมันแห้งไหมแล้วก็ปัดกวาดทําความสะอาดจากนั้นก็เอาอะไรไปไล่มันถ้ามันมีมดปัดกวาดทําความสะอาดไล่ไล่ๆ มันสุกรอไม่ได้แล้วแต่เราสร้างกุฏิทั้งหลังเรายัางสร้างได้่เราไม่มีปัญญากระทั่งไล่มดลงก็แสดงว่าเราเนี่ยไม่รู้จะว่างังไงอีกล่ะต้องมีปัญญาทำไงจึงจะไล่มดลงออกได้มันมีปัญญาทั้งนั้นแหละนะถ้าเราช่วยกันคิดนะเพราะนั้นของมอบให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเนาะช่วยๆกันเสนาธนะที่พักพาอาศัย หลังไหนขาดมันมีปัญหาอะไรช่วยกันหลังคามันมีอะไรมีปัญหาไหยที่พักพาสายข้างในเป็นยังไงห้องน้ำห้องถ่าไเป็นยังไงระบบน้ำเป็นยังไงที่พอที่จะช่วยเหลือ ก, กันได้ก็ช่วยกันแล้วก็พอเข้ารรษาแล้วเราก็หยุดแต่เรื่องการเรื่องงานถ้าไม่จำเป็นจริงเราก็ไม่มีอะไรละ ตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาเพราะในพรรษาถึงยังไงถึงเราจะไม่ทําอะไรมาคนทางนอกพระทางนอกหมุนเวียนกันม า, ม, ามัาลมมาตุงมาตุ่มมาลมผม เ, ยเลยเกือบจะไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนนั่นแหละตอนเข้าพรรษาใหม่ๆน้ำพันจุ้งทุกปีมันจุ้งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็บอกให้กับหมู่พวกเพื่อน สิ่งไหนที่จะเตรียมการก็เตรียมไว้แต่เนิ่นๆจะดีกว่าไม่ใช่ว่าเราจุนจวนแล้วเราจึงจะไปทำมารุ่ ม, มาต้งนะเดี๋ยวก็จะทะเลาะกันอีกละงานสิ่งไหนก็ตามไหนพอจะทำได้ก็วางแผนทำกันไปเลยไม่ใช่ว่านาทีสุดท้ายยังค่อยมาทำกันฉะนั้นผมไม่ชอบเพราะอะไรเพราะเป็นสาเหต แห่งการทะเลาะวิวาทกันได้ง่ายเดี๋ยวคนหนึ่งมาคนหนึ่งไม่มาคนหนึ่งทาคนหนึ่งไม่ทำเดี๋ยวก็นั่นแะแต่ว่าผู้ที่ไม่มาหรือผู้ไม่ทำเพราะอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้ท่านไม่สบายหรือมีปัญหาอะไรเนแต่เรามีแต่พวกแร่งอยากจะให้มันทำการงานให้เสร็จนี่แหละที่เคยเห็นเห็นมาพรผมเคยทำงานอย่างพวกท่านทั้งหลายทำมาเนี่ยผมเคยทำมาทั้งหมดแล้ว วัะนั้นผมจึงรู้เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับหมู่คณะกับหมู่พวกพ้าน้อยผ้านุ่มฮะแต่ถึงยังไงในพรรษานีขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอย่างที่ผมได้เคยพูดพระที่ยังไม่เคยพรรษาขอให้พยายามท่องคำอธิษฐานพรรษาเรื่องท่องสวดมนต์ด้วยเป็นพื้นฐาน ไม่ใช่เราเข้ามาบวชแล้วก็อยู่เฉยๆไม่มีการท่องบนสาธยายซะเลยอันนั้นกำไปถูกนะเราควรจะท่องบนสาธยายมนไ ห, หว้พระสวมดมนต์ให้ได้อย่างน้อยกันแหละวันพระเนี่ยที่เราสวมดมนต์นะพยายามท่องแต่ก็ไม่ให้หนักอกหนักใจท่องเท่าที่จะท่องได้แต่ถึงยังไงก็ควรจะท่องนะวิธีการท่องทำยังไงก็ถามพวกครูบาเก่า ครูบาเก่านะก็เป็นตัวอย่างสำหรับพวกเราครูบาเก่าก็เหมือนกันนะเห็นครูบาใหม่ก็แนะนำโดยความตั้งใจด้วยความหวังดีไม่เช่แนะนํำแบบทรงเดจบอกกล่าวด้วยอารมณ์โมโหโกธาไม่ดีนะเราต้องฝึกหัดเป็นครูบาอาจารย์ไว้ก่อนฮนะผู้ที่จะเป็นอาจารย์หรือผู้ที่จะเป็นครูบาเป็นผู้แบบเป็นผู้นาเขานะี่ จะต้องเป็นผู้ใจดีนะมีเหตุผลาการแนะ น, นําแนะนําด้วยความตั้งใจแนะนำอยากจะให้ผู้ที่เราแนะนํารู้เห็นจริงๆรู้เห็นตามความเป็นจริงจริงๆไม่ใช่ว่าแนะนําแบบทรงเดเ็กผมมันเป็นนิสัยอย่างนั้นมาตั้งแต่ดําเดิมนะแต่สมัยเป็นเนนของเหมือนกันใครเข้ามาเนี่ยพวกน้องๆทั้งหลายเนียผมจะแนะนําบอกกล่าวจะได้เมื่อมาเป็นพระของเหมือนกัน บอกกล่าวแล้วก็ไม่ได้เก่งใจอีกต่างหาเพราะเราเจตนาดีเราไม่ได้พูดเอารัดเอาเปรียบบางทีบางองค์อยู่ที่วัดป่าบ้านตาลท่านผู้มีเกียรติมาบวชบางทีผู้สูงอายุผู้กว้างขวางในสังคมเป็นที่ยอมรับกันทางสังคมพวกพระทั้งหลายเขาไม่กล้าบอกแต่ผมเราเขาไปบอกเลยขอโทษครับท่านหลงตาครับหลงพ่อครับ ทำอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ถูกนะครับตามกฎหลวงตาท่านพ่อแม่คุจาร์ท่านไม่ให้ทำครับอย่างนี้ครับผิดวินัยครับมันผิดกฎและเบียบครับท่านผู้เข้ามาศึกษาท่านก็ยกมือท่วมหัวหรือคาบคบครับสาธุครับที่บอกผมครับโดยมากถ้าเราเจตนาดีรู้จักวิธีรู้จักจังหวะในการพูดในการแนะนามันดีทั้งนั้นแหละ คนนั้นการแนะนําหมู่พกเพื่อนอย่าไปใช้อารมณ์ในการแนะนําเพราะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเราแนวปฏิปทาของพ่อแม่กุญาจ์ก็ไม่ใช่ของเราเราก็เข้ามาศึกษาเรารู้แล้วเรารู้เดีได้เรียนรู้เรื่องแนวปฏิปทาที่เราได้รับการอบรมศึกษามาแล้วเราก็ไปบอกท่านท่านพวกเหล่านั้นท่านก็ดีใจเพราะว่า เอมีผู้แนะนําบอกกล่าวท่านไม่รู้นี่แหละสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราถ่ายทอดบอกกันไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะให้ผมพูดทุกอย่างหมู่พวกเพื่อนเกิดไม่ได้สนใจไม่ได้บอกกล่าวอันนั้นแปลว่าถึงเข้ามาแล้วก็นั่นละ่ะพอมีปัญหาขึ้นมาก็นั่นะทิ้งกันไปทิ้งกันมา ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นพวกท่านทั้งหลายเป็นหูเป็นตาด้วยกันแต่บอกแล้วนะท่านบอกแล้วดื้อดานไม่ยอมฟังดันทุลังไม่ยอมฟังเออท่านบอกมาบอกหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อในเป็นเจ้าของของวัดพวกท่านทั้งหลายเขามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เขามาสู่วัดถ้าไม่ยอมฟังแล้วผมจะสอน ผมบอกผมสอนแล้วไม่ยอมฟัง น, นั่นหแหะเฮ้จะเข้ามาอยู่ทําไมออกมาอยู่ขวางทําไมผมก็จะบอกนะเพราะเหตุไยเพราะว่าเราเข้ามาเพื่อศึกษาเข้ามาเพื่อเรียนรู้เรื่องหลักพระธรรมวินัยกฎระเบียบของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรามาเพื่ออยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นพระที่ดีอเป็นพระที่มี คุณภาพที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมในใจสรุปแล้วก็คือมาเพื่อการศึกษาถ้าเราดีอยู่แล้วเราจะศึกษาทำไมถ้าเราเป็นพระอรหารอยู่เป็นโยมเราจะมาทำไมอันนี้เราก็คือว่าเราอย่างด้อยอยู่ยังไม่รู้เราจะได้เข้ามาถ้าเข้ามาแล้วไม่ศึกษาล่ะไปเข้ามาอยู่ทำไม เรามากับเพื่อการศึกษาใ น, นพูดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาเพื่อการศึกษาทั้งนั้นแหละผมเข้าไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเข้าไปเพื่อการศึกษาได้อยู่กับท่านพออยู่ศึกษาพอรู้จักทุกอย่างแล้วก็เออเอากาปลาท่านออกมาประพฤติปฏิบัติเพราะเรารู้แล้วได้ศึกษาแล้วในแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ นี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านในพรรษานี้นะผมเองอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายผู้มีเจตนาดีอเอาแต่ไหม่ตะกอนผมนี่มีความตั้งใจล่ะมุ่ง ม, มั่นบวชเข้ามาแล้วขาวน้จะไม่กลับไปอีกละคารวาดเมื่อเราคิดในคารวาดแต่พอเข้ามาบวชแล้วเนะ่ยมันสงสัยว้าเวเวียงวาง อันนั้นป่าวกิเลสกำลังน็อกเรานะผมไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะพวกเราท่านทั้งหลายนะอลูกศิษย์ลูกหาน้องหลงทั้งหลายของเรานะลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะต้องเข้มแข็งอ อ, อย่างผมเนี่ยผมไม่เคยเสียใจยเลยเพูดอย่างนั้นได้มาถึงจุดนี้แล้วพวกท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเข้ามาบวชต้องสู้อย่างสุดสุด ถ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเลยต้องสู้อย่างสุดๆมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอข้าพเจ้าคิดดีแล้วจึงได้เข้ามาในคราวนี้คิดทุกอย่างดีแล้วรอบคอบแล้วอออกไปเราจะไม่ตายหลือตายอยู่ที่นี่ตายไม่ตายแต่เราตายกับคุณงามคามุณดีเราไม่ได้ทําให้ใครคนอื่นเดือดร้อนเลยเราตายอย่างพระเนี่ยเอเราตายแบบจะเป็นตายแบบไหนก็ตาย เราจะอยู่แบบพระอยู่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจา้าขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อหลักเหตุผลเท่านั้นอหลักเหตุผลคือหลังคือหลักความถูกต้องเท่านั้นเอนี่แหละจากนั้นก็รอคนนะ่ะออมอบกายถวายตัวตอบพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์เอาละท่านภาวนาเละ ถึงจะได้บ้างเสียบ้างได้กาไรบ้างสู้มันไม่ได้บ้างถอยหลังบ้างเดินหน้าบ้างแต่ถึงยังไงเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในจิตใจของเราแล้วผมมั่นใจเหลือเกินว่าพวกท่านทั้งหลายจะต้องก้าวหน้าหลุดไปหน้าเรื่อยเรื่อ ย, อยมั่นใจในตัวเองไปเรื่อยเรื่อยแต่นืนึกย้อนหลังดูสมัยก่อนกับสมัยเดียวนี้ เ, เราเป็นยังไงกาลังใจของเราด้วใจของเรา มันขาดทุนและกาไรเนี่ยเราจะมองเห็นได้ชัดในตัวเองเลยเพราะฉะนั้นขอให้ฝากไว้กับพวกเราท่านทั้งหลายนะอย่าบินต่ําพูดง่ายๆยานอาวกาศอย่าบินต่ําถ้าได้บินแล้วบินสูงเลยถ้าบินต่ําแล้วโลกตึงดูดตกหมด เ, เราจะบินทําไมเรามาคิดว่าคิดดีแล้วยังค่อยมาบวชข่าวนี้เพราะนั้นเราต้องบินสูงมอบกายถวายชีวิต พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านทํำยังไงเราจะทําอย่างนั้นหลวงตามหาบัวทํำยังไงเราจะทําอย่างนั้นหลวงปู่มั่นพาทํำยังไงเราจะทําอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพาทํำยังไงเราจะทําอย่างนั้นเราจะไปคิดออกแบบกลุ่มที่ชั่วช้าลามุกกลุ่มที่ถอยหลังจะไปหาคิดเอาขอมาเป็นตัวอย่างอยาคิดเอาพวกตําๆมาเป็นตัวอย่าง เอาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาพระสาวกของพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างเราต้องศึกษานะห้องสมุดมีสาวกของพระพุทธเจ้าอัศวิศตรมหาสาวก80ดองค์นะท่านปฏิบัติตนอย่างไรเราเอาตามแนวแถวพระอศัศวิตรมหาสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเพรา ะ, ะนั้นขอให้ฝากไว้กับพวกเรานะพระภูรูปนะ ลูกหลานน้องน่งทั้งหลายนะให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติต่อนนไปสดท้ายปฏิโมก